ระหว่างที่คริสติน่าใช้ยาฉีดเข้าไปตรงบริเวณใกล้เคียงกระบาดแผลนั้นรพินพูดเบาๆว่านี่คุณเห็นสีหน้าของคุณตอนนี้แล้วทำให้ผมไม่ค่อยจะแน่ใจยังไงพิดกลไม่แน่ใจเหรอไม่แน่ใจในข้อไหนล่ะก็ในข้อที่เบนจะฟื้นขึ้นมาอีกหรือไม่สินี่คุณ แต่ฉันมีอารมณ์อยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งขึ้นเมืนะ่อไรคนที่ฉันคิดจะฆ่านคนแรกก็คือคุณนั่นแหละไม่ใช่เพื่อนของฉันคนนี้หรอกรู้ด้วยแล้วทําไมจะต้องฆ่าผมด้วยคริสเขาถามเรียบเรียบไปยังงั้นอีกอย่างปราศจากความหมายอะไรคริสติน่าไม่ตอบอะไรอีกจัด ก, การจิ้มเข็มฉีดยาอย่างแคล่วคล่องพอถอนเข็มออกก็หันไปตรวจวัดความดันโลหิตอีกครั้ง เป็นการถ่วงเวลาให้ตัวยาออกฤทธิ์อึจใจต่อมาจึงค่อยๆบันจงใช้เครื่องมือแพทย์เล็กๆแซะขอบยาห้ามเลือดที่เกาะเป็นเส้นแข็งทับรอยแผลนั้นบันจงดึงลอกออกคอยจับสังเกตสีหน้าอาการของคนเจ็บเห็นนอนสนิทนิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ตามเดิมพอยาที่ผนึกปากแผล ถ, ถูกลอกออกโลหิตก็ไหลซึมออกมาอีก ส่งสําลีมาเร็วหลอนสั่งเขาเหมือนเขาจะเป็นบุรุษพยาบาลจริงๆระพินเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกแล้วใช้ปากคีบคีบเอาสาลีที่ฆ่าเชื้อไว้แล้วในกล่องส่งให้คริสติน่าพยักหน้าสั่งการต่อว่าคอยแตทซับเลือดไว้ในระหว่างที่ฉันเย็บระพินปฏิบัติตามโดยดีแล้วรีตาลงอย่างหวาดเสียวเมื่อเห็นปลายเข็มสาหรับเย็บบาดแผล และเส้นเอ็นชนิดละลายกลืนไปกับเนื้อได้เริ่มถูกร้อยแทงเข้าไปในเต้าถันของอิสเบลเหมือนเย็บวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เนื้อคนคริสติน่าลงมือปฏิบัติการในทางสัญญาแพทย์ของหล่อนอย่างประนีชขีดสุดและคอยร้องสั่งให้เขาใช้อีกมือหนึ่งจี้ไฟฉายไว้ให้ตรงเป้าหมายเขาเพิ่งเห็นชัดๆกะตาเดี๋ยวนี้เองว่าแม่ผมทอง ผู้ถูกแนะนำให้รู้จักครั้งแรกว่าเป็นนักเคมีฟิสิกส์มีฝีมือในทางแพทย์และสัลญกรรมตกแต่งชั้นผู้ชำนาญการพิเศษทีเดียวตะเข็บที่หลอนบรรจงเย็บทีแคบมือเบาว่องไวและใช้ความระมัดระวังเต็มที่จนน่าจะเชื่อได้ว่าทบาทแผลที่เย็บหายดีแล้วก็แทบจะมองไม่เห็นคราวของแผลเป็นเอาทีเดียวเกือบสบนาทีเต็มเต็ม ที่คริสติน่าใช้ความพิถีพิถันอยู่กับรอยบาดแผลนั้นแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเส้นเอ็นที่เหลืออยู่ออกภายหลังข ม, มวดบมไว้จากนั้นก็ถอนใจยาวสุดกายลงนั่งราบกับพื้นเอาละใส่เสื้อคนเจ็บให้เรียบร้อยนี่คุณเบนจะฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยระพินถามขณะที่ค่อยๆรูดซิบขึ้น ถ้าคุณฉีดยาได้ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณที่ฉันสั่งมาอีกประมาณสามชั่วโมงเขาจะรู้สึกตัวขึ้นเองผมก็แน่ใจนะว่าผมปฏิบัติตามคำสั่งของคุณทางวิทยุโดยไม่ผิดพลาดแน่นอนถ้า ง, งั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วนี่ว่าแต่ตัวคุณเองเะทำไมมีอะไรจะให้ฉันช่วยเย็บให้บ้างไหมมี แต่ไม่มีหมอคนไหนมาเย็บให้ได้หรอกคุณเพราะมันฉีกมันขาดอยู่ในหัวโอกนี่เขาพูดเสียงลึกตาเป็นประกายเข้มขณะที่ชี้ไปยังตำแหน่งหัวใจของตนเองฮ<ะ>เข้าใจอะแล้วก็ยอมเห็นด้วยในข้อที่ว่าไม่มีหมอคนไหนจะมาเย็บแผลใจให้กับคุณได้นอกจากหมอประจําตัวของคุณคนเดียวเท่านั้นฮะระพินจบุรีขึ้นอีกตัว แต่เขายังไม่ทันจะอัดคริสติน่าก็เอื้อมือมากระตุกไปจากปากเขาเอาไปสูบหนักหน่วงเป่าควันให้ลอยคว้างขึ้นไปด้านบนอันดำมืดของสถานที่พรายใหญ่จึงต้องหยิบขึ้นมาจุดอีกตัวหนึง่งบอกมาเสียงต่ำๆว่าเรื่องของเบลนิเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคริสเดี๋ยวขอสูบบุหรี่สักครึ่งตัวเะ ฉีดยากันบาดทยักอีกสักเข็มก็เป็นอันเรียบร้อยละคุณเขาส่งวิทยุไปให้หล่อนเมื่อไม่มีอะไรเร่งด่วนแล้วก็ติดต่อรายงานข่าวให้ฝ่ายของคุณทราบขณะนี้พวกนั้นกําลังรออยู่และเขาก็ปฏิบัติตามคําสั่งผมไปอย่างดีคือไม่พูดวิทยุสอบถามรบกวนมาเลยคอยแต่รอฟังข่าวจากทางฝ่ายเราเท่านั้นผมเชื่อว่าตอนนี้พวกเขากําลังกระวนกระวายใจละ ระพิน ม, มีไรคริสฉันไม่อยากจะเอ่ยคำว่าขอบใจแต่ก็ต้องขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในคืนนี้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเบลจอมพรานยักษไหลยิ้มกล้านๆออกมานิดนึงนั่นก็เป็นหน้าที่โดยตรงของผมอยู่แล้วคริสยังไงก็ตาม ค, คุณเองก็มีส่วนช่วยชีวิตเบลไว ม, มากทีเดียวที่ตาไว เหลือพินเธอวิ่งตะเลิดออกนอกแคมป์แล้วก็สั่งให้ผมตามมาตลอดจนกระทั่งติดตามมารักษาพยาบาลอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แม่นักเคมีฟิสิกสาวผู้ยังมีอารมณ์เงางอดกับเขาอย่างลึกลับมาตั้งแต่ตอนหัวค่าของคืนนี้เอาหลังมือปาดเส้นผมที่ปลิวลงมาปรกเหนือคิ้วงามชำเลืองไปทางเพื่อนสาวผู้ร่วมคณะนิดนึงพึมพำอย่างสยองใจระพิน ถ้าคุณตามเบลไปไม่ทันตอนนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นมั่งคำตอบก็นิดเดียวล่ะคุณเราก็จะไม่มีเบลในคณะอีกแล้วแล้วก็จะตามไม่พบแม้แต่เสษกระดูกเพราะพวกมันนอะมากเหลือเกินแต่ละตัวก็หิวจัดทั้งนั้นเหตุการณ์ทางด้านคุณแล้วก็เบลตอนนั้นคงจะรุนแรงมากสินะมันก็อย่างที่รายงานไปทราบแล้วล่ะคุณไอ้ลําพังไห้หมาป่าทั้งกองทัพมันก็ไม่เท่าไรหรอก แต่ลูกปืนจากพวกคุณฝ่ายในแคมป์แล้วก็ระเบิดเพลิงที่คว้างกันออกมาทําให้ผมกับเบลน่ะเกือบสุกไปเหมือนกันมันน่า ก, กลัวยิ่งกว่าไอ้ฝูงหมาป่าซะอีกคุณนี่คุณต่อว่าฉันเหรอก็ไม่ได้จ่อจองต่อว่าคุณคนเดียวหรอกคริสก็ทั้งคณะพวกคุณรวมทั้งฝ่ายพรานแล้วก็ลูกหาของผมนั่นแหละไอ้กระสุนเฉียวผมกับเบ ล, ลไปยังหาฝนไม่รู้เราสองคนรอดพ้นลูกปืนมาได้ยังไง เอาละเราก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องนี้อีกแล้วตอนนั้นมันก็ชุลมุนขิดสุดและพวกฝ่ายคุณก็ต้องระดมยิงอย่างหนักป้องกันแม่พวกมันเข้าถึงตัวแต่ถึงงั้นก็ยังถูกมันกัดเอาหลายคนไม่ใช่เหรอกล่าวจบประพินก็หัวเราะฮือฮือดีเท่าบุรีเป็นลูกไฟกระจายอยู่ริมกายข้างหนึง่งระหว่างที่คริสตินานิ่งเอื้อมมือไปลูบครามตามใบหน้าของแม่เพื่อนสาวอย่างเวทนานั้น เขาก็เอ่ยเสียงต่ำๆ ต, ต, ต่อมาว่านี่คุณผมเคารพนับถือน้ำใจพวกคุณอยู่ข้อหนึ่งแม่ผมทองขมวดคิ้วนิดนึงปลายหางตามาทางเขาอะไรดูผาดผาดในเวลาที่ไม่เกิดวิกฤตการอะไรขึ้นพวกคุณก็เป็นพวกที่เหมือนจะไม่่อยสามัคคีกันนั ก, ก น, นะปะเดี๋ยวคนนั้นนินทาคนนี้ปะเดี๋ยวคนนู่นด่าคนโ น, น้น แต่พอเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นพวกคุณก็มีความสามาคัคคีรักใคร่มีความห่วงใยแล้วก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุดคริสติน่ายักไหล่บ้างมันก็คงเหมือนความรู้สึกที่เราเคยมีต่อคุณมาแต่ไหนแต่ไรละมั้งความรู้สึกยังไงล่ะคุณก็ไอ้ที่เห็นว่าคุณนะ่ะเห็นแก่ตัวสามหาวก้าวร้าวไม่น่าไว้วางใจเขี่ยม เลือดเย็นแล้วก็น่าจะเป็นภัยก็ฝฝายเราทุกโอกาสแล้วระพินตะแคงหูเอียงหน้าเร่งคำพูดต่อไปอย่างกังขาแต่แกนแท้จริงใจของคุณนะเป็นคนสื่อสัตว์สุจริตมีคุณธรรมมนุษยธรรมกล้าหาญแล้วก็เสียสละอย่างที่เราคิดไปไม่ถึงสิทีนี้รู้สึกมั่งหรอย่า ค่าจ้างที่พวกคุณให้ผมนั่นมันถูกริยมเลยเราก็จ่ายให้คุณตามคําเรียกร้องของคุณเองนะระพินแล้วทําไมถึงบ่นว่ามันถูกไปจริงจริงจริงผมเองสิดันเสือเรียกราคาถูกเองนี่ระพินคริสติน่าเอ่ยเรียกนามเขาชัดเจนจนเกือบเหมือนคนไทยคนหนึ่งฉันว่าราคาค่าจ้าง มันไม่มีความหมายอะไรนักหรอกแต่คุณค่าทางน้ำใจระหว่างเราทั้งสองฝ่ายมันสูงกว่านั้นมากนักฉันในานามของพวกเราทุกคนกล่าวอย่างสัตย์จริงว่าเราได้มีโอกาสพบกับคนที่มีน้ำใจและอุดมคติประจำใจประเสริฐสุดชนิดที่หาไม่ได้ในโลกนี้แล้วก็ขอเน้นว่าในความรู้สึกด้านส่วนตัวของฉันเอง ขอภาคภูมิใจให้แกสุภาพสตรีคนหนึ่งที่ได้รับความรักพักดีจากคุณไปเธอผู้นั้นเลือกผู้ชายไม่ผิดํำพูดประโยคหลังทำให้ระพินนั่งก้มหน้าซึมเศร้าไปชั่วขณะจิตคริสติน่าสังเกตเห็นด้วยความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ถามแผ่มาอย่างกังวลว่า Did I ิที a ไอเซเอนิซิงฮ์ยูเขาสั่นสีสั่ฝืนยิ้มโน้ส่คริสติน่าจ้องหน้าเขาอีกแวบหนึง่งแล้วหยิบวิทยุขึ้นกรอกคำพูดลงไปจากคริสเรียกทุกคนจากคริสเรียกทุกคนโอเคได้ยินพวกเรากำลังรอฟังผลรายงานขึ้นหน้า ผู้ตอบสวนมาอย่างรีบร้อนเป็นเสียงห้าวของหัวหน้าคณะซึ่งดูเหมือนจะคอยรับรายงานอยู่ก ร, ระวนกระวายใจทางด้านนู้นขอรายงานว่าโปรดอย่าได้เป็นห่วงทางด้านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเกี่ยวกับอาการของเบรบาดแผลค่อนข้างชะกันก็จริงแต่ก็เย็บเรียบร้อยแล้วขณะนี้นอนพักหลับสนิท จะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งก็อีกประมาณสามชั่วโมงข้างหน้าจำเป็นต้องให้น้ำเกลือหรือเปล่าล่ะเสียงด็อร์สเตลลีถามแทรกขึ้นมาไม่จำเป็นน่ะเบนเสียเลือดมากแต่ก็ไม่เป็นไรนักละ่ะแล้วก็ไม่มีอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนแน่ใจนะคริสถ้าฟื้นตัวรู้สึกแล้วเบนจะเดินทางกับเราได้ตามปกติ หรือจะต้องพักฟื้นสแตนลีย์ถามต่อมาโดยเร็วมันก็ต้องรอดูอาการภายหลังจากฟื้นอีกครั้งล่ะอาจารย์แต่เชื่อแน่ว่าคงปฏิบัติการได้แม้จะไม่คล่องตัวอีกแต่ก็คงไม่ถึงกับต้องนอนพักให้เสียเวลาแล้วรพินละ่ะตรวจ ด, ดูเขาด้วยนะเขาอาจจะไม่บอกเราขณะที่พูดวิทยุก็ได้ตอนนี้เธอไปถึงแล้วอยู่ที่นั่นก็ควรจะตรวจเช็คละเอียดด้วย คิดสวนมาในวิทยุบ้างอย่างเป็นห่วงอมไม่มีอันตรายใดๆจากป่าและภัยมืดมาทำอันตรายคนคนนี้ได้หรอกคริสติน่าพูดเนิบช้าขณะที่มองหน้าเขานิ่งยกเว้นโรคจิตประสาทประจำตัวของเขานแหละซึ่งไม่มีใครดูแลให้ได้เขาจะต้องปรับจิตใจของเขาให้เข้มแข็งเองเกี่ยวกับเลฟซิกแต่เท่าที่สังเกตนี่เขาก็ซ่อนเร้นไว้ได้อย่างเข้มแข็งมาก ก็เชื่อว่าได้จะจะได้ทำหน้าที่เป็นมักกุเทศนำทางพวกเราต่อไปได้อย่างมีสมรรถภาพจนกว่าฝ่ายเราจะทนไม่ไหวเองแล้วก็ยกคําสั่งให้เขานำทางกลับวิเศษสุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ขอยกย่อสัญเสริญเขาสตอร์ลีพูดมาด้วยน้ำเสียงก้องกังวานเออว่าแต่ระหว่างเราสองฝ่ายขณะ น, นี้เวลานี้จะทายังไงกันต่อละ่ะ คริสติน่ายื่นวิทยุให้ระพินบอกว่าอะตอนนี้คุณควรจะพูด ก, กับพวกเราทางด้านโน้นเองแล้วว่าจะให้ทำยังไงกันต่อจอมพลหยิบวิทยุขึ้นมากดคีย์ทุกคนฟังนะครับหรือเวลาอีกประมาณชั่วโมงเศษตะวันจะฉายแสงหากอากาศในบริเวณนี้เปิดตามปกติสภาพของมันแม้จะเหลือเวลาเพียงน้อยนิด ผมก็อยากจะให้ทุกคนพักเอาแรงไว้ก่อนเราทั้งสองฝ่ายจะพบกันเมื่อตะวันขึ้นแล้วขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเร่งรีบแล้วอ๋อผมขอพูดกับคะแนนคิดหน่อยครับประโยคท้ายเขาถามหานายคิดกำลังฟังอยู่แล้วละ่ะระพินมีอะไรราวเปล่าเกือเสียงคิดอ้าวออกมาจากลำโพงจิว๋วนี่คิด นายมีระเบิดประเภทระเบิดหินหรือระเบิดในทางวินศสกรรมติดมกักคสัมภาระด้วยหรือเปล่าวะ ค, คิดเงียบไปกึ่งอึดใจแล้วก็อู้อีบอกมาว่านี่ถ้าบอกแล้วก็อย่าด่ากนันอีกนะเว้ยพราะไม่ได้แสดงรายการไม่นายรู้เออไม่ด่าหรอกมีมาด้วยใช่ไหมก็พอมี้เป็นการตอบมาอย่างอ้อมแอมไม่เต็มปากนัก มากน้อยขนาดไหนวะแล้วนายเจ้าสักเท่าไหร่ละ่ะนี่ฉันถามว่ามีติดตัวมาด้วยสักขนาดไหนระพินตะอคอกถามออกไปเกือบจะเป็นเสียงตะหวดัดคราวนี้เสียงของคีดจิงจังเป็นงานเป็นการขึ้นแสดงว่ายินดีเปิดเผยโดยไม่ปิดบงังก็พอจะระเบิดภูเขาขนาดย่อมๆให้ราบเป็นหน้ากลองได้สักสองสามลูกถ้าจาเป็น หอกคอยเฮ้ยสิงเชิดวุฒิสบุดสอดมาเบาๆในเครื่องรับรบผินไม่สนใจแต่สอบหารายละเอียดต่อไปว่านี่คิดเราอาจมีความจำเป็นจะต้องใช้นะฉันจึงอยากจะขอทราบปริมาณหน่อยเท่าที่เห็นในกองสัมภาระฝ่ายนายก็มองไม่เห็นน่ะเออนะจะมากสักแค่ไหนฉันก็มีบริการให้นายได้ทั้งนั้นแหละ เนระเบิดพิเศษน้ำหนักรวมกันแล้วก็แค่สองปอนธนั้นแหละแบ่งแยกออกใช้ได้มากน้อยตามต้องการแต่ละส่วนน้ำหนักของมันที่จะใช้งา น, น, นจะแรงมาสิบเป็นร้อยเท่าของท NT ในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันเฮ้ยแล้วกรรมัณภาพรังสีที่มันจะตามมาภายหลังใช้ระเบิดแล้วเว้ยเขาร้องออกมาอย่างตกใจหน่ารับรองว่าไม่มีผลร้ายทางกรรมรมัณฑภาพรังสีหรอก มันจะทำลายเฉพาะที่เท่านั้นแหละไม่มีพิษตกค้างที่ปากบนไปกับอากาศนี่ฉันจะมอบหมายให้นายเป็นคนใช้งานตามแต่จะสั่งนะและนายต้องรับผิดชอบด้วยนายเป็นผู้ชำนาญการอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นหนาขอให้สั่งมาเหอะว่าจะยัดเข้าไปตรงไหนถ้านั้นทุกคนฟังนะขอสั่งไว้ซะตอนนี้เลย เมื่อรุ่งสว่างแล้วขอให้เกิดกระเซยนำเอาพวกลูกหาบทั้งหมดรวมทั้งสัมภาระเคลื่อนขบวนมาที่นี่ได้เลยพวกนั้นจะนำทางมาได้โดยไม่ยากส่วนด็อกเตอร์ตัวนายเองแล้วก็เชิดบุตรรอฉันอยู่ที่ต้นไซใหญ่นันก่อนจะมีจัน์อยู่เป็นเพื่อนขอให้เอาระเบิดไว้ที่นั่นก่อนด้วยฉันจะเดินสวนกลับไปหาที่แคมป์ เราจะต้องทำงานอะไรกันสักอย่างตรงนั้นเป็นชิ้นแรกในเช้าวันนี้เข้าใจปะทำไมเข้าใจก็ทวนคำสั่งคือฉันบอ๊อบเชิดบุศแล้วก็จันให้อยู่ที่แคมป์ที่นี่ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมเออแล้วก็เกิดเซยแล้วก็ลูกหับทุกคนขนสัมภาระไปยังที่นายอยู่เดี๋ยวนี้ใช่ไหม เออแล้วตัวนายเองก็จะเดินสวนกลับมาที่แคมป์ด้วยใช่ถูกต้องแต่ให้อาระเบิดไว้ด้วยล่ะแล้วทางด้านโนนบุญคากับคริสละ่ะบุญคำกับคริสแล้วก็เบลก็จะพักกันอยู่ที่นี่ก่อนระหว่างฉันย้อนกลับไปยังแคมป์พวกที่ล่วงหน้ามา ก, ก่อนก็จะมาสมทบกับสามคนทางนี้ระหว่างที่ฉันคนเดียวจะสวนทางกลับไปที่แคมป์เข้าใจ เออเข้าใจในคำสั่งเว้ยแต่ไม่เข้าใจในความหมายแล้วก็รู้เองแหละรอยฉันไปถึงก่อนฉันมีงานที่จะต้องทำเล็กน้อยตรงแคมป์แล้วนะ่ะพอทำเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับมายังพวกเราทั้งหมดทางด้านนี้แล้วงานที่ฉันจะต้องทำนะ่ะก็ต้องการให้ดรสแตนลีย์เชิดบดอยู่ร่วมมองเห็นอยู่ด้วยส่วนนายนะ่ะมันเป็นมือวิศวกรอปรี ที่จะต้องจัดการกระเบิดตามข้อแนะนําของฉันความจริงลําพังฉันกับ น, นายสองคนจัดการธุระอยู่ที่แคมป์ก็ได้แต่ระหว่างที่ฉันยังเดินทางไปไม่ถึงก็อยากใด้มีเพื่อนอยู่กับ น, นายด้วยความจริงก็อยากให้นายรอฉันอยู่คนเดียวพร้อมระเบิดแต่ก็กลัวว่าพอฉันไปถึงนายน่าอาจจะหายไปจากโลกนี้ซะก่อนก็เลยมีเพื่อนอยู่เท่าที่จําเป็นอยู่ด้วยว้า เป็นปริศนานี่หว่าจะเอาอยัางไงของมันบะในคิดบนไม่ต้องบนแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นเข้าใจแล้วก็ทำตามที่ฉันสั่งแล้วกันอีกไม่นานเราจะพบกันที่แคมป์อตอนนี้ก็หุบปากได้ฮะฉันคิดเกลียด จ, จะพูดวิทยุอ่ ะ, อะตกลงกระพินเราเข้าใจตามแผนของคุณแล้วว่าแต่ตอนที่คนฝ่ายนี้จะเดินทางไป แล้วคุณจะเดินทางตามลำพังคนเดียวกลับมาที่แคมป์เราจะนัดแน่เวลากันยังไงสแตนลี Stanley ถามมาอย่างผู้ใหญ่เอาเป็นว่าก่อนออกเดินทางทั้งสองฝ่ายผมจะใช้วิทยุติดต่อให้ทราบอีกครั้งครับเอาละเราเข้าใจแล้วทราบแล้วถ้างั้นก็เลิกการติดต่อชั่วคราวแล้วพบกันใหม่แล้วกันจบคำพูด เขาก็ปิดวิทยุในมือของตนแล้วเอื้อมมือไปกระชากวิทยุจากมือของคริสมาปิดใช้อีกเครื่องหนึ่งด้วยบอกเบาๆว่าปิดพันธ ะ, ะคริสเปลืองฐานเ ป, นเ ป, นเปล่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้วิทยุติดต่อกันและกันอีกมากนะคุณอย่ามัวคุยกันในเรื่องไม่จําเป็นอยู่เลยนี่นายพรานคุณไม่ต้องกลัวทานหมดหรอก ไอ้ฐานประจําเครื่องมือถือทุกเครื่องมีอาวุธใช้งานชนิดเปิดตลอดเวลาไม่ต่ากว่าหกเดือนแล้วถ้าจําเป็นจริงๆเน่ยหากฐานมันอ่อนลงแม้เราจะไม่มีเครื่องชาร์จไฟมาด้วยแค่ทอดฐานออกมาตากแดดแรงๆมันก็จะเรียกเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้ามาสะสมไว้เหมือนการชาร์จด้วยเครื่องไฟฟ้าเหมือนกันล่ะคุณระพินชำเลืองมองด้วยหางตา <c oughs> ไอ้เครื่องมือเครื่องใช้ของพวกคุณมันพิเศษแล้วก็วิเศษกว่าปกติสภาพทั้งนั้นแล้วก็ค่อยๆ ค, คายให้รั่วมาเป็นลําดับน่าเสียดายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละเสียดายเหรอเสียดายอะไรไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำยุคทั้งนั้นที่ขนมาเนี่ยเรียกว่าสุดยอดของสื่อราชการลับที่ประเทศของคุณมีใช้อยู่ทีเดียวแต่ก็มีอยู่อย่างเดียว คือไม่มีเครื่องมือที่จะค้นหาซากเครื่องบินตกได้จนต้องมาจ้างพรานป่าเดินดินอย่างผมไม่ออกค้นหาไงคริสติน่ายิ้มแค่นตอบมาทันทันกันว่าก็พรานป่าเดินดินกินใบไม้อย่างระพินไพรวันะมีความสามารถเหนือกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเรานี่โดนเข้ามายนี้จอมพรานก็จํานนอนึอ้งไปเหมือนกันคริสตินาคมกริด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 เป็นความหมายเรียกบุญคําซึ่งออกไปนั่งจ้องเฝ้าอยู่ปากทางแต่เท่ามือขวาของระพินอันเป็นเงาตะคุ่มอยู่เหลียวมาหล่อนก็ผล ร, ร้องสั่งออกไปเป็นภาษาเดิมของตนว่าเฮคัมม hey, ิบุญคําเดินเข้ามาแย่เขี้ยวยิ้มบอกมาว่าแม่ ame, เรียกบุญคําหรือจะเรียกไอ้คำก็ได้ไม่ต้องเรียกอินรอก คัมกับพี่อินน่ะมันคนละคนกันแล้วตอนนี้พี่อินก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยแม่ผมทองหัวเราะออกมาขันขันได้เป็นครั้งแรกขอโทษทีบุญคำํำฉันหมายถึงบอกให้บุญคำเข้ามาได้แล้วไม่ได้เรียกชื่ออินอะไรหรอกแล้วคนที่ชื่ออินมีด้วยเหรอในพวกเราอะ่ะพวกเรานี่ยไม่มีหรอกแต่มีครูพรานที่ชื่อนั้นอินอยู่อีกคนหนึ่ง แกไม่ได้มาด้วยบุญคํายังสงสัยว่าแหม่ไปเรียบพี่อินทําไมไปยังไงเสร็จซาเรียบรอยโอเคซิกา ร, ร์ดและสิประโยคหลังแกดอกภาษาฝรั่งโอเคเฉยๆไม่ได้มีซิกา ร, ร์ด้วยหรอกไอ้ซิการ์แต่อยู่ในกระเป๋าของนายรพินก็ขี้เหนียวชะมัดไม่ค่อยจะงัดออกมาแจ ก, กสูบกันมั่งเลยของฉันก็ลืมทิ้งตกหายไปไหนก็ไม่รู้สิบุญคํา คริสติน่าพูดยิ้มยิม้มมีอาการปลอดโปร่งใจขึ้นบุญคำซึกตัวลงนั่งราบข้างๆเอื้อมมือไปจับแขนอิสเบลอย่างถือสนิทและเป็นห่วงครางออกมาว่าสงสารแหมมเบลนะนอนหนึ่งยังก็คนตายดีที่ตัวยังอุ่นอยู่นี่ไม่ตายแน่นะแหมมคริสไม่ตายหรอกรับรองว่ายังแก้ผ้าอาบนะ้ำให้บุญคำดูได้อีกนาน แม่ผมทองพูดอย่างเท่าทันและด้วยอารมณ์ล้อเลียนอย่างสนิทสนมบุญคำเอามือลูบหัวเกรียนเส้นผมขอติดหนังสีสะของแกบนอู e. ้อีแม่แหม่มคริสละก็พูดอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะแก้พ่าบุญคำเห็นก็แหม่มคริสคนเดียวสุมาไรแหม่มเบลคนเดียวสุมาไรแหม่มคริสก็ดดวยคนแหละคริสติน่าหัวเราะอีกครั้ง มองหน้ารพินบอกมาว่าไม่เลวนะลูกน้องเท่าของคุณคนเนี้ทั้งแหลมทั้งคมไม่แพ้นายเฮใครบอกของบุญคำน่ะทั้งถูทั้งปานวัติทิมีนคริสติน่าหน้าตื่นหันมาถามรพินผู้ซึ่งขยับเท้าแต่ตาเท่าจอมสับประดกไหวทันรีบขยับตัวออกห่างพ้นรักสมีของเขาซะก่อน อย่าไปสนใจอะไร ก, กันเลยบุญคําก็เหมือนขี้กลากแหละคุณเล่นด้วยคก็ก็ลามเฮ้ยใครบอกนายาบุญคําน่ะเป็นขี้กลากเป็นสังขังตหาหักขันกว่าขี้กลากอีกว่าแต่แม่มเบยนะโดนเย็บเข้าไปกี่เข็มละ่ะไอความจริงแหม่มไม่ต้องมาก็ได้นะให้นายเย็บให้ก็ได้เข็มกุ้งก็มีแต่บางทีมันก็ มันจะโตแล้วก็ถือไปหน่อยเฮ้ย <C> e <zy> บากเลและตะคำเดี๋ยวก็เดินก่อนหินเข็นกับบานแหกระพินชีหนะ้าทเหมืองตามาจะแตกฉานในด้านภาษาไทยสักเพียงไหนก็ตามแต่เมื่อไม่ใช่ภาษาพ่อแม่ของตัวเองคริสติน่าก็จับความหมายไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกหล่อนเริ่มหันมาให้ความใส่ใจกับสถานที่เป็นครั้งแรกใช้ไฟฉายประจาตัว ส่องดูไปรอบๆเอ่ยออยกมาว่าที่นี่ลักษณะมันแปลกมากนะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างของเมืองโบราณนี่คุณอย่าเพิ่งไปส่องอะไรให้มันเสียเวลาเลยรอให้ตะวันขึ้นสัก่อนเราจะเห็นชัดกว่านี้ไอ้ส่องไฟมันก็เห็นแค่ตะคุ่มตะคุ่มรางๆเท่านั้นดูอะไรไม่ชัดนะคุณแล้วเราก็ไม่มีเวลาสำรวจกันในตอนนี้ด้วย คุณน่ยได้พักหลับนอนมัางหรือเปล่าหลังจากหมาป่าเขาโจมตีแล้วอะคริสติน่าสันส่นศีรับเอ็นกายเอาหลังพิงหินลักษณะแท่นยังอ่อนแรงคนอื่นเขาอาจจะหลับไปได้บ้างอะตอนที่ลงมานอนกันใต้ต้นไม้แล้วแต่ฉันนี่ยหลับไม่ลงอะ่ะบอกตรงว่าเป็นห่วงเบรก็ได้แต่ดูนาฬิกาเราคอยเวลาที่คุณจะอนุญาตให้เดินทางมาก็ดีที่มีใจเป็นห่วง แล้วก็รักกันจริงผมเห็นเวลาปกติคุณน้ํามันไส้เบลจะตายก็ร่วมตายมาด้วยกันแบบนี้เลยนี่คุณถ้าไม่ไม่รักกันจริงก็มาด้วยกันไม่ได้หรอกเบลน่ะอาจจะทําอะไรฉันหมั่นไส้อยู่ม้างเหมือนกันแต่ฉันก็ไม่ถือไม่สาหรอกฉันน่ะรักเข้าเหมือนน้องสาวคนหนึ่งในชุดของเราทั้งหมดสี่คนน่ะเบลน่ะเขาอายุน้อยที่สุดแล้วก็เป็นคนมีฝีมือที่สุดเหมือนกันในวิชาการแขนงที่เขาถนัด คุณช่วยเขาไว้ได้คราวนี้ก็นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งแล้วเพราะตอนที่คุณเจ็บป่วยอยู่เบนก็ได้ช่วยคุณมาแล้วหลายครั้งอย่างเต็มใจที่สุดฉันจะอีกจะไม่ค่อยได้ดูแลคุณสักเท่าไหร่นะครับครับข้อนั้นผมรู้แล้วก็ระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอแล้วครับแล้วพินก้มหัวลงนิดหนึ่งแล้วก็ถามจริงๆนะคุณเบนนมีความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาและก็โบราณศาสตร์เป็นอย่างดีด้วยใช่ไหม ใช่ถ้านั้นเขาจะช่วยเราได้มากทีเดียวเกี่ยวกัรซากเมืองโบราณนี่พรุ่ง น, นี้ถ้าเขาเป็นปกติพอที่จะมีแรงร่วมเดินทางกับเราได้โดยไม่ต้องนอนพักฟื้นเราจะต้องสำรวจอาณาจักรลึกลับแห่งนี้สำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุสานเก็บมัมมี่เก่าแก่ซึ่งเราจะต้องหาทางถลม่มปิดทางเข้าออกกันไม่ให้เวทมนต์ของมันไร นำมอซ า, ากศพที่มีอยู่ตามสุสานขึ้นมาก่อกวนอาวาดเอากคาร์เราเหมือนๆที่มันไปขนมาเป็นกองร้อยอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนี่คุณคิดจะสำรวจสุสานในอาณาจักรลึกลับนี้ให้ทั่วทีเดียวเหรอระพินมันก็อาจจะเป็นความคิดที่โง่ไปมั่งล่ะคุณแต่ก็ไม่มีวิธีอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกละในสติปัญญาขนาดผมเราค้นหาได้เท่าที่จะพบ แล้วก็ระเบิดหินปิดปากทางทลายให้ลงมาปิดกั้นใช่หมดตัดกาลังเรื่องกองทัพผีดิบของมันให้น้อยลงไปขณะนี้เรามาอยู่ใจกลางอาณาจักรของมันแล้วมันจะแหย่ยกขยงข อ, อ้มาอีกสักเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยระพินกล่าวอย่างหนักใจมิหน้าล่ะคุณถึงได้ถามหาระเบิดจากคิดเมื่อครู่นี้ความจริงตามคำบอกเล่าของคุณคุณก็คณะที่เคยเดินทางผ่านมาก่อน ก็ผ่านนครโบราณแห่งนี้มาแล้วไม่ใช่เหรอแต่ฉันสังเกตเห็นคุณเมียการไม่แน่ใจแล้วก็งงๆอยู่มากทีเดียวเมื่อบ่ายนี้ตอนที่เราเดินตัดทุ่งมาจอมพลันเสือปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางสีสันถอนใจเฮือก <c oughs> มันจะต้องเป็นนาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากและที่เราพบกันนี่มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งกาที่ผมเคยพบมาแล้ว ซึ่งในสมัยนั้นก็ดูว่ามันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักแต่จากซากคูเมืองสิ่งสลักหักพังและก็วัตถุโบราณที่เราเห็นกันอยู่นี่มันหมายถึงมหานครซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมากทีเดียวผมอาจจะพบเพียงแค่หนึ่งในร้อยส่วนของตัวเมืองใหญ่เท่านั้นไม่ทราบว่าเบนพอจะบอกได้ไหมว่าอายุของนครแห่งนี้มันนานมาสักเท่าไหร่แล้ว เรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยนะระพินก็คงต้องรอเขาได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาสะก่อนแล้วกันงั้นผมว่าตอนนี้คุณงีบซะหน่อยดีไหมคริสเรายังมีเวลาอีกมากพอควรก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างอื่นต่อไปแล้วคุณอะระพินผมได้หลับมามั่งแล้วแล้วก็หลับอย่างสนิทจริงๆด้วยคุณนอนเถะไม่ต้องกังวลอะไร ผมจะดูแลให้เองปรึกษาหารือหรือคุยอะไรกันตอนนี้มันก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคุณตกลงคริส ต, ติน่าบอกอย่างว่าง่ายแล้วยกมือกอดอกเอ็นสีสะพิงแท่นหินลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนเงียบเสียงพูดไปในบัดรดลน5 9ภายในโพรงถ้ำใต้หินใหญ่รูปสิงหมอก ซึ่งมีคริสติน่าและบุญคำเข้ามาสมทบเพิ่มเติมรวมแล้วเป็นสี่คนบัดนี้อยู่ในภาวะสงบไปอีกวาระหนึ่งบุญคำเองก็ลงนอนทอดกายนอนพักโดยไม่กล้าชวนเจ้านายพูดจาหรือคุยซักถามอะไรมาอีกทั้งสิ่งพรานใหญ่นั่งพิงหินอยู่อีกมุมหนึ่งไม่มีใครทราบว่าเขาหลับหรือตื่นอยู่ในขณะนี้ตะเกียงแบตเตอรี่ดับ คงมีก็แต่กองไฟที่ก่อให้ความอบอุ่นใกล้ๆร่างอันนอนสงบนิ่งของอิซเบรเท่านั้นครั้นแล้วแสงสว่างรางๆของยามอารุณก็เริ่มปรากฏอยู่ยังปากโพรงถ้ำด้านนอกถามกลางละองบางๆของกลุ่มหมอกเสียงออกจากวิทยุของฝ่ายนายจ้างที่ยึดแรงพักกันอยู่ยังตำแหน่งเดิมขณะนี้ ดังปลุกเรียกขึ้นอีกรพินหยิบขึ้นมาเปิดทันทีขณะนี้เวลาห3นาฬิกานาทีแล้วโปรดตรวจสอบกับเวลาของคุณว่าตรงกันหรือไม่เสียงพูดแจ่มใสกังวานชัดเป็นเสียงของดอกเตอร์สแตนลีย์ครับครับได้ยินแล้วครับของผมตอนนี้ช้าไปสองนาทีครับจะปรับตั้งให้ตรงกันเดี๋ยวนี้แหละครับ ตอนนี้ทางคุณพร้อมหรือยังทางด้านเรานะ่ะเตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังตำแหน่งของคุณแ ล, ะละ้วล่ะระพินขอทราบสภาพของอากาศบริเวณของคุณด้วยครับทางนี้มีแสงสว่างพอสมควรครับแล้วหมอกก็ลงบ้างเล็กน้อยทางด้านโน้นล่ะครับเหมือนกันระพินมีละอองหมอกบางแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรมากหรอกนะ เราจะเริ่มต้นกันเดี๋ยวนี้หรือยังล่ะครับครับเพื่อประหยัดเวลานะครับเราจะเคลื่อนไหวตามที่ได้นัดแนะกันไว้แล้วเดี๋ยวนี้เลยขอผมพูดกับเกิดหน่อยครับขาดเสียงเขาไม่นานก็มีเสียงพรานหนุ่มของเขาดังออกมาครับนายเกิดพูดครับเกิดแล้วก็เสยนําทางพวกลูกหาบพร้อมสัมภาระทั้งหมด เว้นบางส่วนที่นายห้างคีตจะต้องเอาไว้ที่นั่นก่อนนะแล้วก็เดินทางมาที่นี่ได้เลยที่ต้นไซน่ะจะเหลือเพียงนายห้างบอ็อบนายห้างคีตนายทหารเชิดบุตแล้วก็จันเพียงสี่คนเท่านั้นแหละเข้าใจไหมครับนายแล้วนายจะเดินสวนมาที่นี่เลยใช่ไหมครับอืมใช่ครับครับนายผมจะไปตามคําสั่งเดี๋ยวนี้แหละครับดรครับ จะสั่งยังไงว่ามาระพินเพื่อไม่เสียเวลางมหาแหล่งกันอยู่นะครับผมขอวิทยุจากพวกคุณสักหนึ่งเครื่องมอบให้เกิดหรือเสรคนใดคนหนึ่งมาด้วยจะได้ใช้วิทยุติดต่อสอบถามทิศทางกับบุญคำเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายเปิดวิทยุสแตนบายไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อรับฟังข่าวได้ทุกด้านส่วนตัวผมเองก็จะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะครับตกลงระพิน ขณะนี้เกิดกระเซยนําพวกลูกหาเคลื่อนที่แล้วนะครับดีมากครับรับพินต่อไปแล้วก็เรียกจันทร์ขึ้นลอยๆซึ่งเชื่อว่าคงจะรวมพวกอยู่ใกล้เคียงฝ่ายนายจ้างด้วยซึ่งจันทรก็ตอบรับมาทันทีจึงสั่งการต่อไปว่าจันทร์อยู่เป็นเพื่อนทั้งสามคนก่อนนะเชื่อว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงฉันจะไปถึงที่นั่นครับนายไม่ต้องห่วงทั้งนี้หรอก ระหว่างการใช้วิทยุโต้ตอบคริสติน่าขยับตัวขึ้นมานั่งตรงมันเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินคว้าไราเฟิลตวัดเป้หลังขึ้นไหลเตรียมออกเดินทางนิระพินคุณจะบอกฉันสักนิดไม่ได้ยังไงว่าคุณจะเดินทางกลับไปพบพวกเราที่คุณให้รอคอยอยู่ที่นั่นก่อนเพื่ออะไรหล่อนถามเสียงเบาภายหลังจากเก็บความสงสัยไว้นานแล้ว กระพิงยิ้มให้นิดหนึ่งคริสปรเดี๋ยวผมจะวิทยุมาบอกให้ทราบเองละ่ะผมไปก่อนนะทั้งนี้บุญคําจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหน้าที่ของคุณตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าดูแลเบลแล้วก็รอคอยพวกเราชุดแรกที่จะเดินทางมาสมทบที่นี่แล้วหลังจากนั้นผมกับอีกสี่คนก็จะกลับมารวมที่นี่อีกครั้งใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างมากเชื่อว่ามเมื่อผมกลับมาถึงที่นี่อีกครั้ง เบนก็คงจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วฝากเอ็มสิบหกกระบอกที่ผมถือติดมือไี่ไว้ที่คุณด้วยแล้วกันตอนนี้คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วละ่ะสำหรับผมโชคดีนะระพินแล้วขอให้นำพวกนั้นกลับมาที่นี่โดยเร็วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ยังไม่ยอมเปิดเผยของคุณแม่ผมทองกล่าเรียบๆขณะที่เดินออกมาส่งเขาหน้าปากโพรงถ้าใต้อกของหินใหญ่รูปสิงหหมอบ ระพินก้าวเดินลงไปตามขั้นบันไดนั้นโดยเร็วพอลงมาเหยียบยืนอยู่บนพื้นลุ่มๆดันดนของป่าเถาวันด้านล่างเงนกลับขึ้นไปอีกครั้งยังเห็นคริสติน่ายืนมองเขาอยู่ตรงนั้นจึงตะโกนสั่งความขึ้นไปว่าคริสระยะเวลาที่ผมและพวกเราทั้งหมดยังไม่มาถึงที่นี่คุณกบุญคำอยู่เฝ้าเบเฉพาะบริเวณที่เราพักกันอยู่ก่อนนะ อย่าได้พยายามสำรวจไปยังที่ใดเป็นอันขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมุติว่าคุณจะตรวจพบโพรงหรือซอกท้าที่มีทางเดินลงไปได้ก็อย่าเพิ่งลงไปก่อนอย่างเด็ดขาดเข้าใจไหมคุณคริสติน่าโบกมือตอบโอเคจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครับระพินแตะปีกหมวดแล้วหันหลังให้เดินเลาะละัด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 มองเห็นอะไรได้ถนัดซักหน่อยเดียวเรื่องที่จะกําหนดเส้นทางผิดเป็นไม่มีอย่างเด็ดขาดซําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์คือวิทยุก็ยังติดตัวอยู่อีกเรื่องแค่นี้ถ้าเกิดข้อสงสัยสอบถามกับฝ่ายโน้นสักอีกหน่อยเดียวก็จะพุ่งเข้าหาจุดได้อย่างง่ายดายที่สุดก่อนที่เขาจะลับตาไปในผงไพรบุญคําวิง่งออกมาตะโกนโบกๆตามประษาของแก นายจ้าไปแล้วอย่าไปลับไปแล้วจงกลับมาหาแมมคริสด้วยนะนายนะอิต บ, บ้าหุบ ป, ปากแล้วก็คอยดูแลแมมไว้ดีด้วยระหว่างที่พวกมันยังไม่มาถึงเขาไม่หันหน้ากลับแต่ใช้วิทยุดา่าพร้อมทั้งสั่งกำชับมาระหว่างตับทางไปในราวป่า สลับไปกะก้อนหินลักษณะแปลกๆที่ปรากฏอยู่ทั่วไปวิทยุที่เปิดไว้ของระพินได้ยินเสียงการพูดโต้ต่อระหว่างเกิดและบุญคำจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เงียบหายไปแสดงว่าทั้งเกิดและเสยกกำลังนำพวกลูกหาบบ่ายหน้าเข้าหาจุดหมายแล้วและครั้งหนึ่งประมาณสิบนาทีให้หลังนับตั้งแต่เขาพลาาออกจากที่ตั้งมามีเสียงเรียกจากสตาลีเพื่อสอบถาม ซึ่งเขาก็ตอบไปให้ทราบว่ากำลังเดินทางเข้าหาเช่นกันพบกับพวกที่เดินทางสวนไปแล้วหรือ ย, ยังราพินฝ่ายโน้นถามมาไม่พบหรอกครับผมเดินตัดทางมาแต่พวกของเกิดจะอาศัยยึดมาตามลำห้วยอีกสักครู่ผมจะเข้าถึงที่ตั้งแคมป์นะล่ละดอกเตอร์เสียงวิทยุระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะนี้ชัดเจนที่สุด เหมือนกับห่างกันแค่ไม่เกินรอยเมตรเท่านั้นแล้วฝ่ายของสแตนลีย์คีดเชิดบุตและจันซึ่งนั่งกันอยู่ริมกองไฟใต้ต้นไทรเฝ้ารอคอยการมาถึงของจอมพรานก็พากันสะดุ้งสุดตัวด้วยความตกใจระคนตื่นเต้นขีดสุดเมื่อเสียงร้องทักดังไม่ห่างออกไปนักจากเบื้องหลัง Good morning gentlemen หันขวับไป ก็ปรากฏว่ารพินไทยวันปรากฏตัวห่างออกไปแค่ส9เก้าเท่านั้นลักษณะของเขาโผล่ขึ้นมาจากลำห้วยหลังต้นไทรซึ่งทุกคนลงไปสำรวจเมื่อเย็นวานนี้เองทุกคนพรวดพราดลุกขึ้นและส่งเสียงทักแท็กไปหมดอย่างดีใจและประหลาดใจยิ่งเมื่อสอบถามว่าเขามาจากทางด้านไหนท่านใหญ่ก็ชี้ไปทางลำห้วยหลังต้นไทรพร้อมกับสาวเท้านำพวกนั้น กลับเข้ามาในบริเวณแคมป์ในทันทีก่อนอื่นใดระพินรีตาสำรวจไปรอบๆ บ, บริเวณอันเป็นที่พักซากของหมาป่านับไม่ถ้วนถูกกระสุนปืนนอนตายเริเราาอยู่เกลื่อนปะปนไปกับปลอกกระสุนปืนน า, นานาชนิดที่กระจัดกระจายไปหมดเรากระเกิดสงครามขึ้นสมทุพพุ่มไม้ที่แต่เดิมเคยขึ้นหนาแน่นรกชัดบัดนี้ขยายอาณาบริเวณโปร่งโล่ง ดำเกรียมไปด้วยอนุภาพของระเบิดเพลิงคงเหลือก็แต่ควันลอยกลุนกรุนในบางแห่งเท่านั้นขณะนั้นแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นทุกขณะและหมอกกำลังจางทำให้มองเห็นออกไปได้ในระยะไกลพอควรทั้งสามคนระหว่างที่รอคอยการมาถึงของเขาต้มกาแฟดื่มกันอยู่และบัดนี้จันเป็นคนรินส่งให้เขาหนึ่งถ้วย ระพินรับมาถือแล้วหันหน้ามาสำรวจสีหน้าอันอิดโรยแต่ก็เต็มไปด้วยความปิติยินดีของสแตนลีย์ขีดและเชิดบุตรทีละคนทั้งสามเฮลโลเข้ามาหาเขาอย่างตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเห็นอีกครั้งรวมทั้งความยินดีที่ตรนหนักแน่ว่าในคณะทั้งหมดไม่มีใครถึงแก่ชีวิตลงจากเหตุการณ์รุนแรงขีดสุดที่ผ่านมาเมื่อคืนขีดทะลึ่งตามเคย โดดเขาหอมแก้มเขาฟอดใหญ่ส่วนหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์จับมือทั้งสองของเขาบีบแน่นเขย่าวอยู่ไปมาสำหรับเชิดบุตรนั้นเข้ามากอดเขาไว้อย่างเด็กๆแทบไม่ยอมปล่อยจันยืนมองยิ้มๆด้วยอาการสงบเพราะรู้ฝีมือของเจ้านายดีอยู่แล้วในที่สุดเราก็ผ่านพ้นคืนมาหาโหดอีกคืนนึงไปได้ระพิน ผมดีใจจนบอกไม่ถูกเลยนะเนี่ยดรสแตนลีย์กล่าวเสียงสั่นไปได้วยความประโม่าหมดระพินทักทายกับนายจ้างทั้งสองแล้วหันมาทางเชิดบุตรที่ยังกอดรัดเขาอยู่ทางด้านหลังเอาละปล่อยผมได้เีอะคุณเชิดบุตรนี่กาแฟผมหกหมดแล้วพี่เห็นหน้าพี่นะี่ยิ่งกว่าเห็นรร อ, อินลงมาช่วยสิเฮ้ยพูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะนั่นเนี่ย บุตรชายท่านนายพลซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายการข่าวของกลาโหมอันรับภาระหน้าที่มาด้วยในครั้งนี้พูดบนหัวเราะดวงตามีน้ําตาคลอมันไหมพี่เขาถามยิ้มยิ้มแล้วหันมาตบไหล่คิป <c oughs> นี่ทาไมได้ระเบิดเพลิงของนายมาช่วยประทะไว้พวกเราคงสกัดมันไม่อยู่แน่ๆโชคดีที่สุดนะที่มีเบลบาดเจ็บแค่คนเดียว แต่ขณะนี้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะทั้งคิดและสแตลลีทำหน้าเบพร้อมกับถอนใจเฮือขณะที่กวาดตามองไปรอบๆแคมป์พักพูดอะไรไม่ออกและพินควาวิทยุขึ้นมากดคีรายงานไปทางด้านคริสติน่าบอกให้ทราบว่าบัตรนี้เขาได้กลับมาถึงแคมป์เรียบร้อยแล้วรวดเร็วดีจริงเลยคุณนี่ฉันจับเวลาอยู่นะเนี่ยยี่สิเจ็ดนาทีพอดี นับตั้งแต่คุณออกเดินทางแต่ทางด้านนี้นะเกิดกระเซยนําพวกนั้นมายังไม่ถึงเลยรู้สึกแต่เพียงว่าพวกเขาใกล้เข้ามาแล้วเท่านั้นเพราะได้ยินเสียงกู่แล้วล่ะเสียงใสของคริสติน่าตอบสวนมาครับครับใจเย็นๆแต่เดี๋ยวพวกนั้นก็คงจะถึงละและรพินก็หันมาทางนายคิดผู้เป็นหัวหน้าคุมคลังยุทธอุปกรณ์และวินาศกรลับต่างๆ อันค่อยๆมาเปิดเผยเอากลางป่าตามวันเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้่ะคิดไหนล่ะระเบิดของนายพันเอกแห่ง US Army ลืมตาโตฮะนี่พอมาถึงยังไม่ทันแม้แต่จะนั่งนายก็จะลงมือทำงานเลยเล้เนี่ยเออรีบทำไม่เสร็จซะเดี๋ยวนี้แหละเดินทางมานี่ฉันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรจนถึงก็จะต้องนั่งพักอะ มันจะทำให้ล่าชา้าเสียเวลาไปเปล่าเปล่าไปเดี๋ยวเสร็จงานทางนี้เราก็จะได้ไปรวมกับพวกพวกักพวกที่โนนแล้วก็ค่อยพักค่อยปรึกษากันอีกทีหนี่เอาเป็นว่าตอนนี้ทำงานกันก่อนแล้วกันเอ้าเริ่มได้คิดก้มลงไปควา้าสิ่งที่ห่ออยู่ในพลาสติกขึ้นมาชูให้ดูลักษณะเห็นภายนอกเป็นแท่งยาวประมาณ8นิ้วสองแท่งลักษณะอ่อนตัวได้นี่ไงระเบิด ว่าแต่นายจะระเบิดอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสินจอมพลานแงนมองขึ้นไปบนต้นไซใหญ่ที่ทุกคนได้ขึ้นไปอาศัยหลบภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาสกิดแขนในคิดเดินเข้าไปยังโคนต้นแล้วตบเบาๆลงกัรากไสมหึมานั้นบอกเรียบเรียบว่าในคิดฉันต้องการให้นายใช้ระเบิดเป็นเครื่องมือโค่นล้มต้นไซนี่ ควจะวางยังบริเวณที่โค่นนี่แหละที่โค่นนี่แหละเอาพอยขาดแล้วก็โคน่นลำต้นให้ล้มราบลงมากับพื้นเอาไว้ว่านายกะขนาดของระเบิดเอาเองแล้วกันส่วนชั้นกระจันจะทำหน้าที่เป็นแค่ลูกมือทุกคนที่ยืนฟังอยู่ด้วยทำสีหน้างงเหมือนจะไม่เชื่อหูแล้วมองดูหน้ากันเองลลอกแหลกคิดถึงกับเอามือแค่หูเชิดวุฒิจ้องหน้าเขาอย่างค้นหา สุนแตลีสำรวมกิริยาเป็นปกติได้มากที่สุดถามมาเสียงต่ำๆว่าระพินคุณคงจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมที่สั่งให้เราระเบิดโคนต้นไทรต้นเนี้ยไอการจะโค้นต้นไทรมันไม่ยากหรอกตูมเดียวมันก็ล้มแล้วไม่ว่าจะใหญ่สักขนาดไหนแต่ถ้าไม่เป็นความลับสำหรับคุณเกินไปนักเราก็อยากจะขอทราบว่าทาไมคุณถึงได้ย้อนกลับมาที่นี่ เพื่อหมายจะโค่นต้นไทรที่พวกเราได้อาศัยหลบภัยต้นนี้ไอจะว่าไปแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็มีบุญคุณต่อชีวิตพวกเราทั้งหมดทีเดียวแล้วอายุก็คงจะหลายร้อยปีขึ้นไปครับด็กเตอร์ผมมีเหตุผลครับระพินกล่าวแผ่วเบามือลูบคลำอยู่ยังรากย้อยที่ห้อยระยะลงมาเป็นมาสพิจารณานิ่งไปอึดใจ ก็กล่าวต่อมาช้าๆว่าพวกคุณอาจจะไม่เชื่อหรือเชื่อยากแต่ขอให้ทำตามที่ผมบอกแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าอยากจะทราบเหตุผมผมก็ยินดีจะบอกให้ครับ<ส white> <sig ling> เขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งสูดลมหายใจลึกใช้ฝ่ามือแตะที่ริมฝีปากตนเองแล้วเอารอยแตะจูบนั้นลูบไล่ลงไปยังโคนพยาใส่ใหญ่ หักลับมายังทุกคนที่ยืนจ้องเข้าเขม็งอยู่เมื่อคือนนี้ขณะที่พวกเราหลับกันอยู่แล้วผมก็หลับก่อนที่กองทัพไอ้ผีดิบจะมาล้อมไว้และก่อนที่พวกหมาป่าเป็นพันๆตัวจะเข้าโจมตีตอนนั้นน่ะผมฝันไปว่าได้มีอะไรสิ่งหนึ่งที่เฝ้าประจําดูแลต้นไทรใหญ่ต้นนี้ได้มาสําแดงกายผมเห็น ผมไม่ทราบว่าจะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจได้ยังไงว่าสิ่งนั้นนเป็นอะไรแต่ขอตั้งเป็นสมมุติฐานให้พอฟังง่ายๆแล้วกันว่าเป็นเทพประจำต้นไม้ใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะเธอได้มาบอกกับผมว่าคืนนี้จะเกิดเหตุร้ายกับคณะของพวกเราอย่างมากและอนุญาตให้พวกเราทั้งหมดขึ้นไปอาศัยอยู่บนกิ่งของต้นไทรที่เธอดูแลครอบครองนี้ได้เพื่อหลบภยัย แต่สำหรับอิสเบนจะเคราะหร้ายมากจะต้องถึงกับชีวิตทีเดียวสแตนลีย์เชิดบุตรแล้วก็คีดอุทานออามาพร้อมกันด้วยอาการตะลึงพึงเพลิดกระพินกล่าวต่อไปว่าในความฝันผมได้ขอต่อรองขอร้องเธอไว้โดยขออย่างให้เบนต้องเป็นอะไรถึงกับชีวิตเลยสำหรับเหตุการณ์ไดๆใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นภายในคืนนี้ เธอผู้ปกครองดูแลต้นไม้ก็มีข้อเสนอกับผมว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เบรเป็นอันตรายถึงกับชีวิตแต่มีข้อแรกเปลี่ยนว่าเมื่อเบรนไม่ถึงกับชีวิตและทุกคนปลอดภัยจากเหตุร้ายในคืนนี้แล้วขอให้ผมล้มต้นไม้ที่เธอสิงสู่อาศัยอยู่นี่เพื่อให้ราบลงกับพื้นเป็นการทําลายซะจะได้หรือไม่ผมก็รับปากกับเธอว่าจะปฏิบัติตามที่เธอต้องการ และเดี๋ยวนี้เบงก็รอดชีวิตแล้วอย่างวุดวิดหน้าที่ของผมก็ต้องทําตามสัจจะที่ให้ไว้กับเธอไว้คือโค่นต้นไทรนี้ลงตามที่เธอต้องการทั้งสามคนยกเว้นจันยังมีสีหน้ามึนงงอยู่เช่นนั้นคิดร้องถามเสียงสูงว่าเฮ้นายนายใช้คำว่าเธอหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอใช่ เพิงแต่อย่าถามนะว่าเธอเป็นอะไรเพราะฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเขาพูดขึ้มๆึเอาหลังมือขยี้จมูกเพราะอึดอัดใจที่จะต้องมาอธิบายอะไรกับพวกนี้เอาละเธอผู้นั้นบอกคุณด้วยหรือเปล่าละ่ะว่าเธอมีเหตุผลอะไรถึงต้องขอร้องคุณอย่างนั้นแล้วพวกคุณคิดว่าพอจะรับฟังต่อได้เหรอ ก็พยายามฟังอยู่อะแล้วก็จะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นเมื่อจะบอกอะไรแล้วก็ขอให้บอกจนหมดกระแสฟา์มแล้วกันอย่าอ้ำอ้ำอึ้งๆหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าซึ่งปราศ จ, จากแววหยันหรือเยาะใดๆทั้งสิ้นนอกจากความสนใจขีดสุดสำหรับคิดน่ะแยกเที่ยวขาวส่วนเชิดบุญนะขนลุกเกลียวเกลียวเอาลวครับถ้าฟังได้ และไม่คิดว่าจะหัวเราะเยาะผมก็ยินดีจะบอกให้ฟังให้หมดเธอผู้นั้นมีเหตุผลจําเป็นของเธอเช่นกันที่ขอร้องอย่างนั้นเธอบอกว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานถูกพระมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพทั้งหลายสาบเป็นการลงโทษให้ต้องมาเฝ้าประจําเป็นนางไม้อยู่ที่ต้นไซใหญ่นี่เป็นเวลานานมากละคําสาบจะหลุดพ้นสิ้นไป ก็ต่อเมื่อไซใหญ่ต้นนี้ถึงการอาวาสานล้มลงมาราบกับพื้นซึ่งเมื่อนั้นแปลว่าเธอชดใช้กรรมหมดสิน้นและจะได้กลับคืนไปสู่สถานภาพเดิมของเธอซึ่งสูงกว่าการที่จะมาเป็นเทพธิดาเฝ้าต้นไม้อยู่เธอจึงขอร้องผมว่าอย่างนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนโดยยืดอายุให้กระเบลไม่ต้องมาตายซะภายในคืนนี้ก่อนก็เหตุนี้แหละครับ ทำให้ผมต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งโดยให้พวกคุณรอดูอยู่ด้วยแล้วก็ถามหาระเบิดจากคิดสเตลีเบิกตาสีฟ้าจ้องหน้าเขาหนิ่งระหว่างที่เขาพูดอย่างไม่สู้จะเต็มปากนักส่วนคิดนะ่ะยกมือกุมขมับทิ้งตัวลงไปนั่งอยู่กับรากไทรพึมพำรรออกมาว่าโอ้จะบ้าตายฮะเชิวดวุธหน้าขาวสตริมฝีปากสัน เงยหน้าขึ้นไปมองดูยอดไสอันสูงลิปคอตั้งบ่าและกิ่งก้านสาขาที่ได้อาศัยช่วยชีวิตพักพวกทั้งหมดไว้ครางอึบอิบในลำคอจับกระแสะความไม่ได้ความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะแล้วอึดใจต่อมาสแตนลีก็เอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้บีบหนักหน่วงเอาละรพิน ผมจะไม่ขอออกความเห็นหรือถามอะไรคุณมากไปกว่านี้เมื่อเป็นความต้องการของคุณเราก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามให้ทุกอย่างแล้วก็หันหน้ามาทางคิดใช้เท้าเขี่ย ก, ก้นบอกเฉียบขาดมาว่าเฮ้ hey, คิดจัด ก, การระเบิดต้นไซต์ต้นนี้เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของนายที่จะจะใช้ระเบิดให้เหมาะสมและสั่งให้พวกเราอยู่ในรัศมีที่ปลอดภัยที่สุดในขณะที่มีการระเบิด แล้วสายต้นนี้ล้มพินาศลงมาล้มือจัดการเดี๋ยวนี้เลยมีอะไรที่พวกเราจะช่วยกันได้คนละไม้คนละมือเพื่อให้มันเร็วขึ้นก็สั่งมาคิดก็พรวดขึ้นมายืนในบัตรนั้นลูบมือเข้าหากันถามเสียงห่าๆมาว่าเอาก็บอกมาจะให้ต้นล้มไปทางด้านไหนระพินชี้มือไปทางด้านตะวันตกให้ล้มไปทางด้านนี้ทิศตะวันตก แล้วก็อย่าให้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นด้วยเอาเฉพาะแค่ต้นไซล้มอย่างเดียวเท่านั้นนะคิดฉับไวรวดเร็วดีเหมือนกันเยี่ยงผู้ที่ผ่านงานประเภทนี้มาอย่างดีแล้วลงมือปฏิบัติการโดยทันทีโดยมีเขาเชิดบุตรจันทร์และดอกเตอร์สแตนลีย์คอยเป็นลูกมือให้ความช่วยเหลืออยู่ระเบิดพิเศษเพื่อ ง, งานวินาศกรรมโดยเฉพาะแท่งหนึ่งถูกแกะออกมา ในระหว่างที่คิดร้องสั่งมายังคนอื่นๆให้ช่วยกันใช้มีดไม้ขุดเข้าไปยังใต้บริเวณโคนไทรหตำแหน่งเว้นแต่ละตำแหน่งห่างกันประมาณหนึ่งเมตรโดยกำหนดสั่งให้ช่วยกันขุดเป็นโพรงเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เว้นไว้เฉพาะทางด้านทิศตะวันตกเท่านั้นที่ไม่ต้องให้ขุดหรือปฏิบัติการใดๆการขุดไม่ยากอะไรนะัก พระช่องโพรงรอยรูมีพระช่องโพรงมีรูรอยอยู่ก่อนแล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่เหลาไม้ยาวๆท่อนขนาดข้อมือเสี่ยมปลายเป็นปากฉลามซอะขุดเข้าไปในตำแหน่งที่ดินร่วนซุยเท่านั้นก็สามารถที่จะทำเป็นรูสำหรับที่จะอัดระเบิดเข้าไปได้และสามารถที่จะทำเสร็จทั้งหกตำแหน่งครึ่งรอบโคนใส ภายในเวลาไม่นานคิดเข้ามาตรวจดูแต่ละตำแหน่งอย่างทีท่วนสำรวจความลึกแต่ละจุดว่าจะชอนลึกเข้าไปจากโคลนลำต้นประมาณหนึ่งเมตรเท่ากันพอเสร็จสับในด้านการสร้างช่องสำหรับวางระเบิดทันเหตุแห่ง U.S.Army ผู้ชำนาญการในด้านการทำลายล้างทุกชนิดก็แกะกระดาษไขที่ห่อวัตถุชนิดหนึ่งออกมา ระพินและเชิดบุญจ้องขมิงซึ่งนายนั่นก็แยกเขี้ยวยิ้มขณะที่มือก็ทำหน้าที่เด็ดหักเจ้าสิงอันมองผาดผาดเหมือนกัะดินน้ำมันอ่อนตัวได้สีขาวค้นออกมาค่อยๆปั้นเป็นลักษณะก้อนกลมมีสันฐานขนาดเท่าลูกมะขามป้อมเท่านั้นจากนั้นก็ค่อยๆกดให้แบนลงเล็กน้อยเหมือนเหรียญรวมแล้วหกก้อนโดยค่อยๆวางเรียงไว้บนรากไสก่อน ปริมาณที่เด็ดออกมาปั้นกลมและแผ่เป็นรูปแนวนของวัตถุนั้นรวมกันหมดแล้วยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนแท่งทั้งหมดพี่พี่ลักษณะมันเหมือนระเบิดพลาสติกนะพี่นะเชิดบุตรกระซิบกระพินแต่ที่ผมเคยเห็นมาก่อนน่มันไม่ใช่อย่างที่ไอ้คีดมันใช้อยู่นี่ พี่เคยเห็นระเบิดลักษณะนี้มาก่อนไหมพี่ระพินเบะปากนิดนึงยักไหลเอาคุณบุตรขนาดคุณเป็นนายทหารประจำการและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธยุคเก้าหน้ามาตลอดยังไม่เคยเห็นหรืรู้จักเลยแล้วผมจะไปรู้จักได้ไงสำหรับอาวุธร้ายแรงรุ่นใหม่ๆพวกนี้เห็นมันบอกผมว่าในขนาดน้ำหนักของระเบิดชนิดนี้หนึ่งส่วนจะเท่ากับ้อยส่วนของทที แต่ละชิ้นที่มันเอาออกมาปั้นผมว่ากะน้ำหนักประมาณห0ิกรัมเท่านั้นถ้าเอาร้อยคูณก็จะเท่ากับ5 0 0พันกรัมหรือ TNT 5ห้ากิโลเมื่อยัดเข้าไป6จุดก็หคูณรวมแล้วก็เท่ากับ30กิโลกรัมไอระเบิดท NT น้ํา้ำหนัก30กิโลกรัมอย่าว่าแต่ต้นไซขนาดนี้เลยคุณต่อให้ตึกขนาดโรงแรมดุสิตธานีก็คงจะลงมาราบกับพื้นถ้าวางให้ถูกจุดตายหัก เสงเชิดวุดอุทานแผ่วเบากระเดือกน้ำลายลงคออย่างฝืดฝืดเฮ้ยมายืนนินท่าอะไรกันอีสองคนนี่คิดเงยหน้าขึ้นถามปนหัวเราะเปล่ากำลังมีความคิดอยู่ว่าถ้าใช้สักขนาดหัวไม้ขีดไฟแล้วแอบยัดเข้าไปในรูก้นของนายเวลานายหลับรูปร่างอันสูงใหญ่หล่อเหลาสง่างามของนาย จะมีสภาพเป็นยังไงวะนายคิดค้อนขับไม่ตอบว่าอะไรแต่สมบดุดาพุ่งไปหมดเชิดวุฒิถามใหม่ว่านี่ถามจริงเหรอวะคิดเคยมีการทดสอบกันมามั่งหรือยังสำหรับระเบิดของนายนี่นะเคยหมอนั่นบอกเสียงหนักๆในลำคอด้วยเสียงกระชากแต่ก่อนเวียดนามแตกอะ่ะฉันเคยแอบเอาเข้าไปแปะติดไว้ใต้ท้องรถถัง ทีจุดห้าสี่ของไอ้พวกเวียดกงก็แค่สองก้อนเล็กๆ่เท่านั้นอะพะมันโตขึ้นทีห้าสี่ทั้งคันอะพลิกเอาตีนตะขาบชีฟ้าเหมือนใครจับยกหงายทองเลยวะ่ะเชิดบุตรพยักษหน้างึกๆงึถามต่อไปว่าลูกนายก็เอาแต่ละก้อนในชีพหายนั่นยัดเข้าไปในรูใต้โคนไซหกจุดที่พวกฉันขุดเอาไว้ มันจะไม่มากเกินไปหน่อยเหรอกระเพียงต้นไสน้ำหนักทั้งหมดไม่ถึงสองร้อยตันต้นนี้ฉันก็ต้องการให้มันล้มลงอย่างชนิดถอนรากถอนยวงทั้งหมดตามคำสั่งของระพินในการวางระเบิดเพียงครั้งเดียวไม่ต้องมาวางซ้ำกันอีกหากมันเกิดไม่ล้มลงอย่างเด็ดขาดแล้วก็เผื่อเหลือเผื่อไวหรือเผื่อขาดไว้ไม่ดีกว่าเหรอเออแล้วนี่จะต่อสายจนว น, นยังไง การทำให้มันระเบิดขึ้นจะเป็นไปในลักษณะไหนวะเนี่ยไอ้นั่นนะมันหน้าที่ของฉันไม่ต้องมาถามอะไรมากเดี๋ยวนายก็เห็นเองแหลพะพอฉันจัดการอะไรอะไรเสรีรยบร้อยคนที่จะกดสวิตช์บังคับให้มันระเบิดขึ้นคือระพินไม่ใช่ฉันสำหรับฉันนจะเป็นเพียงผู้จัดเตรียมการไว้เท่านั้นแหละคีตบอกมาเสียงหนุหนนแล้วหันมาทางพ่านใหญ่นีระพิน นายนำทุกคนของพวกเราออกห่างจากที่นี่ในระยะร้อยเมตรไปทางด้านตะวันออกน่นแล้วก็เข้าหาที่กําบังไว้ก่อนฉันขอเวลาจัดการทางนี้ไม่เกินห้านาทีแล้วจะตามไปเมื่อฉันไปถึงแล้วฉันจะบอกนายเองว่านายจะจัดการยังไงไอ้ต้นไซนี่ถึงจะถอนขึ้นทั้งยวงแล้วมีปลายลมฟาดไปทางตะวันตกตามที่นายต้องการดําเนินการได้แล้วละเดี๋ยวนี้เลยอย่าช้า ขนข้าวของอะไรที่มันเหลืออยู่บริเวณนี้ไปพ้นหมดเลยเพราะเราคงไม่จำเป็นจะต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วคำสั่งนั้นเป็นกิจจลักษณะและจริงจังที่สุดกระพินหันมาโบกมือกระจัน์และสแตนลีแล้วจูงมือเชอิดบุตรชุดให้ออกเดินตามเขาโดยสวนเข้าหาทางตะวันออกซึ่งมีแสงแดดเป็นลำสองลอดเงาไม้ใหญ่ลงมา ทิ้คิดให้ง่วนจัดการอยู่ที่โคลไซตามลาพังคนเดียวระหว่างที่เขานำพักพวกเดินห่างออกมาอย่างรีบเร่งเสียงนายคีตก็สั่งการมาทางวิทยุอีกว่ายึดโคดหินใหญ่ๆ ห, ห, ห, หรือโคนต้นไมใ้ใหญ่ๆเข้าไว้ไม่ต้องกลัวสเกตระเบิดหรอกเพราะมันไม่มีแต่ให้หลบสายตาจากแสงระเบิดอย่าไปจ้องดูเพราะมันอาจจะทำให้สายตาเสียได้ตกลงคิด พอเสร็จแล้วตามมาโดยเร็วนะรพินตอบกลับไปอึดใจใหญ่ต่อมาคเนว่าห่างจากโคนไซต้นนั้นประมาณ100ร้อยเมตรรพินก็เลือกได้ตำแหน่งที่ลุ่มต่ำบริเวณหนึ่งหลังชะง่อนหินที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินในระหว่างต้นกระบากใหญ่สองต้นจึงบอกให้ทุกคนเข้าไปพักที่นั่นก่อนตัวเองหันกลับมาก็เห็นคีตกำลังเดินคาบซิก้าดุมดุม มาเบื้องหลังห่างประมาณห้าสิบเมตรแสดงว่าพอพวกเขาคล้อยหลังไปได้แค่ครึ่งทางคิดก็วางระเบิดเสร็จและเดินตามมาแล้วคิดก็เข้ามาถึงเอื้อมมือคว้าไหล่เขาดึงให้ลงไปนั่งเหยียดยาวอยู่หลังโขดหินอันเป็นเสมือนฉากกำบังนั้นพลางัดกระติกบันดีออกมาเทใส่ปากสองสามอึกแล้วส่งไปให้เขาระพินสันนา คิดจึงแจกจ่ายไปยังทุกคนแม้กระทั่งจันเรียบร้อยนะคิดแตนลีถามย้ำเพื่อความแน่ใจอีกครั้งโดยทฤษฎีก็เรียบร้อยแต่โดยทางปฏิบัติเดี๋ยวก็รู้เองว่าแต่จะเอาหรือยังถ้า ง, างั้นขอเวลาฉันส่งข่าวให้พวกทางโน้นรู้ก่อนนะว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงระเบิดจะพากันตกใจใช่เปล่าหัวหน้าคณะบอกแล้วยกวิทยุขึ้นถือ จากสไตลี Stanley, เรียกคริสติน่าเรียกคริสติน่าได้ยินตอบด้วยได้ยินค่ะอาจารย์เสียงตอบมาทันทีเป็นไงพวกเราไปถึงเรียบร้อยแล้วเหรอค่ะทุกคนมาถึงเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วเมื่อประมาณสักสิบนาทีที่ผ่านมาเนี่ย่ะดีมากดีมากฟังให้ดีนะคริสขอให้ฟังและรับทราบเท่านั้น อย่าเพิ่งถามอะไรมาก่อนทั้งสิ้นหากเกิดข้อสงสัยยังไงเมื่อเราเดินทางไปถึงจะบอกรายละเอียดให้ทราบภายหลังคือขณะ น, นี้อีกภายในไม่เกินสองสามอึใจข้างหน้าเนี่ยเรากําลังจะระเบิดเพื่อโค่นล้มต้นไซที่เราขึ้นไปพักอาศัยกันเมื่อคืนโดยข้อแนะนําของระพินหากได้ยินเสียงระเบิดที่แววสะเทือนไปถึงก็อย่าตกใจเพราะนั่นหมายถึงว่าเราระเบิดต้นไซใหญ่ต้นนี้นั่นเอง กรทราบแล้วตอบหัวหน้าคณะพูดช้าช้าชัดเจนเพื่อทางฝ่ายโน้นได้ยินจะกแจก้งทุกถ้อยกระทงความค่ะทราบค่ะและจะบอกให้พวกเราทั้งนี้รู้ไว้เกี่ยวกับเสียงระเบิดที่อาจจะแว่วมาถึงฝ่ายเราโอเคงั้นแค่นี้นะและสตรีก็หันไปบอกคิดเอาละดำเนินการได้ เอกแห่งเอสอมียิ้ม แ, แค่นกับประพินกล่าวเสียงต่ำๆว่านายรับรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าคนที่จะระเบิดไซต์ต้นนี้คือนายจอมพรานเสยยยิ้มตอบใช่แต่ถ้าจะให้ฉันออกจากที่นี่ไปจุดสายชนวนหรือกดสวิตช์ระเบิดที่นายตั้งไว้ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามฉันขอปฏิเสธ นี่อย่ากแกล้งนโง่เป็นหน่อยเลยวะรพินฉันเม่นายต้องทำอะไรเสี่ยงถึงขนาดนั้นหรอกนายก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ทำตามคำสั่งง่ายๆของฉันตามลำดับขั้นไปรพินดับก้นบุหรีในมือลงอย่างเยือกเย็นโดยขยี้กับพื้นหินที่มานอนพิงกันอยู่อ่ะงั้นก็ว่ามาหยิบวิทยุมือถือประจาตัวของนายขึ้นมา จอมพรานดึงวิทยุที่เน็บเอวขึ้นมาถือไว้เลือกคิ้วขึ้นจ้องตาคิดขม็งเปิดสวิตไว้ก่อนหรือยังอีตอนนี้ยังปิดอยู่เอาละอย่าเพิ่งเปิดให้หมุนจากความถี่จากตำแหน่งเดิมที่ติดตั้งถาวรไว้ไปยังชแนะสี่กดปุ่มลงไปก่อน แล้วปิดหมุนตามเข็มนาฬิกาไปสี่คลิกกระพินปฏิบัติตามคําสั่งนั้นช้าๆใช้มือจับปุ่มเปลี่ยนความถีของช่องทดลองกดลงปรากฏว่ามันสามารถกดลงไปได้จริงๆแล้วขยับหมุนตามจังหวะทีละจังหวัดจนกระทั่งครบสี่จังหวัดโดยไม่อาจหมุนไปได้อีกแล้วตลอดเวลา คิดและเชิดบุตรจ้องมองนิ่งมาโดยเฉพาะบุตรชายท่านนายพลหรือหัวใจเต้นแรงบอกกับตนเองในใจว่าสารพัดเครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยราชการรับอเมริกาหรือ CIA พวกนี้มันล้วนแต่ลี้ลับแฝงซ่อนพิษภัยไว้ทั้งสิ้นอ่ะคราวนี้เปิดสวิตยังมันยังไม่ทำให้ระเบิดพวกนั้นระเบิดขึ้นก่อนหรอก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 พรานใหญ่มองหน้าคิดเหมือนจะถามนายนั่นก็บอกต่อมาว่าอะคราวนี้ทุกอย่างมันก็พร้อมแล้วลองใช้สติปัญญาของความเป็นทหารเก่าของนายดูสิว่าถ้าจะทำให้ระเบิดที่ฝังไว้ใต้โคลไซเหล่านั้นมันระเบิดขึ้นนายควรจะทำยังไงหวังว่าคงไม่ต้องบอกนะพรานใหญ่ขยี้ปลายจมูกที่เหงือกเกาะพราว กรวิทยุรับส่งในมือแน่นเขาเห็นคิดกับสแตนลีย์เริ่มงอตัวลงเอาหลังเอน็นแนบดินแล้วใช้มืออุดหูแน่นจึงหันไปมองจันกระเชิดบุตรที่ยังมัวเซอ้อซ่าเงอ ะ, ะงะชะโงกมองดูวิทยุในมือเขาอยู่บอกเสียงเครียดว่าจันคุณบุตรทำตามอย่างคิดกับสแตนลีย์อุดหูไว้ อย่าเอาส่วนอกหรือท้องแนบกับพื้นปะเดี๋ยวตับแตกตายฮะทั้งสองคนรีบปฏิบัติตามสั่งของเขาทันทีพลิกตัวเอาหลังพิงเนินหินแล้วอุดหูแน่นระพิงชูวิทยุในมือขึ้นสูงเอ็นเสายอดอากาศสั้นๆยื่นไปทางต้นไทรต้นนั้นแล้วกดคีวิทยุรับส่งเครื่องนั้น ปล่อยกระแสะคลื่นออกไปในบาดดนพริบตาที่เขากดขี้แผ่นดินที่ทุกคนพากันหลบเอาหลังเอ็นพิงกันอยู่ก็สั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวพร้อมๆกับปรากฏเสียงคลื่นยาวเหมือนเสียงฟ้ารอเสียง สะท้อนกล้องขึ้นมาด้านบนสู่ห้วงนภาอากาศอากาศรอบตัวถูกอัดวูบโดยแรงแล้วร่างกายของทุกคนแทบจะกระเด้งกระโดนขึ้นจากพื้นติดตามมากับกำปันนาอันสะเทือนเลื่อนลั่นนั้นก็มีเสียงลำต้นไม้ใหญ่เอนฟ้าทับลงไปยังยอดไม้ไล่ที่อยู่ยังบริเวณใกล้เคียงหักครื้นคล้อมเหมือนป่าจะถล่ม ป่าในบริเวณนั้นแตกยับไปทั้งป่าเป็นเสียงดังไป ต, ต่อกันในช่วงทีเดียวจากลำต้นสูงใหญ่ที่ฟาดเอ็นลงไปทับไม้ที่เล็กกว่าซึ่งพลอยพาให้โค่นลม้มทั้งพินาตตามไปด้วยรพินชะโงกหน้าพ้นแนวที่หดหัวหลบลงไปดูอยู่ภาพที่เขาเห็นนั้นคือยอดไซอันนาทึบอุดมไปด้วยกิ่งก้านสาขา กำลังเอ็นลงในมุมต่ำกว่า45องศาจากระดับพื้นแล้วและกำลังจะสร้างความหักพังโวอดวายให้กับต้นไม้ในทิศทางที่มันล้มฟาดลงไปอย่างช่ช้าด้วยน้ำหนักของลำต้นมหาศาลเสียงต้นไม้อื่นยังหักยังครื้นครั้นอยู่ต่อไปและเฉพาะที่ลำต้นนั้นเป็นควันสีเทาหนาทึบมองอะไรในบริเวณอันเคยเป็นปางพักไม่เห็น เพราะทั้งควันและผงทุลีบกคลุมไปหมดมัวมนคลุงขึ้นมาจากระดับพื้นไม่ต่ำกว่าสิบเมตรคิดสแตลีเชิดบุตรและจันทลันขึ้นจากอาการที่หลบอยู่ชะงกดูด้วยอาการอันเบอร์ขม็่งเงียบกริบโดยเฉพาะจันกับเชิดบุตรถึงกับอ้าปากค้างตลึง